ครั้ที่แล้วเราพูดถึงมหากุศลนนะคำว่ามหากรุส้นตัวกุศลนี่แปลว่าตัดกุสะที่เรียกเหมือนกับยากุสะนะมันตัวที่ไปตัดกุสะคือทําลายบาปอากุศลนั่นเองหรือเป็นปฏิปักษ์ต่ออกุศลเลยทีนี้คําว่ามหาตัวนี้โดยศัพท์ก็แปลว่าใหญ่ที่ใช้คําว่ากุศลใหญ่เนี่ยนะเพราะว่ากุศลนี่เป็นตัวที่เกิดมาก แม้กระทั่งก่อนที่จะเข้าฌานทุกฌานเนี่ยต้องเข้ามหากุศลก่อนก่อนที่มรรคทุกมรรคจะเกิดต้องผ่านมหากุศลทั้งหมดก่อนนะนะมหากุศลเนี่ยมันแทรกเข้าไปอยู่ในในทุกหนทุกแห่งในทุกระดับเนี่ยนะแม้กระทั่งสัตว์เบื้องล่างกุศ ล, ลจิตก็เกิดได้ทีนี้แม้กระทั่งมหาพรหมนี่นะผู้ที่จะก่อนที่อรหัตมรรคจะเกิดก็มหากุศลเกิดเนี่ยมหากุสุนในกว้างใหญ่ไพศาล แล้วก็ถือว่าเป็นบาทของฌานอภิญญามักผลมหากุศลนั้นให้ผลเกินกว่าตัวเองเนี่ยนะให้ให้ผลมากให้ผลมากเหลือเกินมหากุศลนั้นที่เป็น8ดวงก็ตามหลักของเราก็คือหนึ่งเอาโดยเวทนามาจับเนี่ยนะโดยญาณสัมปยุทธอย่างหนึ่งก็โดยสังขารอีกอย่างหนึ่งนะครบทวนที่เป็น8ดนะ โดยเวทนาก็มีสองกันไโสมนัสกับอุเบกขาที่เป็นยานก็แบ่งเป็น2คือยาณสัมปยุทธกับวิปยุทธเนี่ยนะก็แบ่งเป็นอย่างละ2 อ, อีกเหมือนกันอาอะนะโสมนัสวิปยุทธอุเบกขาวิปยุทธโสมนัสยาณสัมปยุทธอุเบกขาสัมปยุทธเนี่ยนะก็แบ่งเป็น2ทีนี้ในสัมปยุทธและวิปยุทธก็เป็นอสังขารกับสสังขารก็จะเป็น8ดวงด้วยประการชนิเนี่ยนะ งั้นถ้าดูตามสูตรแล้วใครยังจำแปดดวงไม่ได้ว่าองค์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็ก็ง่ายมากใช้สูตรคุณบุญชูบุญชูบอกว่าให้คุณนั่งดูพยัญชนะโดดๆเนี่ยนะนั่งไล่ทุกตัวอักษรสามสิบรอบว่าออกเสียงอีกสามสิบรอบเมนนี่นมันจะจำได้เองเห น, น <c oughs> ของมาก็ว่าซ้ำๆสัก เกือบร้อยรอบนี่แหละกว่าจะจำได้ตอนนั้นอยู่ในถ้ำันก็ตะโกนก็ไม่มีใครว่าไม่ผีเขาไม่ออกมาไล่อ่ะก็เลยสรุปรวมเป็นแปดดวงนลยนี่กุศลจิตทั้งแปดดวงนี้ถ้ากล่าวโดยบุญกิริยาวัตถุสิบเนี่ยนะวัตถุที่เป็นเหตุแห่งบุญหรือ ที่ตั้งแห่งการทำบุญเนี่ยมีอยู่10อย่างใช่เอ่อว่าโดยหลักๆก็คือทานศีลกับภาวนาเนี่ยนะส่วนบริวารของทานน ก, กุศลก็คือการอุทิศส่วนกุศลเนี่ยนะที่เรียกว่าปฏิทานาัำมปฏิทานก็คือการให้ส่วนบุญอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือการอนุโมทนาทานเห็นไนะ ดีใจด้วยนะที่ทำบุญนนะก็คืออนุมโมทนาดีใจด้วยเพราะฉะนั้นทานปฏิทา น, านอนุมโมทนานับว่าเป็นกลุ่มทานกุศลสาส่วนศีลก็นอบน้อมนะคารวะอ่อนน้อมก็เรียกว่าอภปจัจนะการอ่อนน้อมอย่างหนึ่งกับวัยาวจะนะ่ยนะ ก็ใครเป็นวิยาวจกรเนี่ยผู้นี้เป็นศีลกุศลแต่ไม่ใช่ไปเป็นวิยาวจกรพาทําลายศีลนะแต่ปกติแล้ววิยาวัจกรแปลว่าผู้ที่ช่วยช่วยเหลือกิจการงานเนี่ยนะบุญประเภทช่วยเหลือเนี่นะก็เป็นศีลกุศลส่วนอีก2 อ, อย่างอีก3ประการหลังคือ1ฟังธรรมแล้วก็แสดงธรรม แล้วก็ทิฏฐุชุกกรรมเนี่ยนะทิฏฐิบวกอุชุบวกกรรมก็เลยเรียกว่าทิฏฐุชุกกรรมเนี่ยนะคือบุญสำเร็จด้วยการทำทำความรู้ให้ตรงตัวทิฏฐุชุกกรรมตัวนี้บางในก็แยกออกมาต่างหาก บางในไม่แยกเลยเพราะตัวนี้เป็นตัวปัญญาเข้าไปสัมปยุทธกับทานศีลภาวนาเข้าไปสัมปยุทธกับปฏิทานอนุโมทนาทานอัิจญะวิยาวจะฟังธรรมแสดงคำเนี่ยน ะ, ยะนนะมีทั้งสแสดงแบบแยกและไม่แยกแต่รวมเบ็ดเสร็จแล้วเรียกว่าบุญยะกิริยาวัตถุ1นะิบอั่นะทวนอีกครั้งหนึ่งหนึ่งทานสองศีล ส, สาภาวนาสอุทิศส่วนบุญหอนุโมทนาบุญหอ่อนน้อม 7. ช่วยเหลือกิจการงานที่เป็นกุศลเนี่ยน ะ, ะกิจการงานที่สมควรช่วยแต่ไม่ใช่เขาฆ่าสัตว์แล้วไปช่วยจับไม่ใช่นะหมายว่าไปช่วยในกิจที่ช่วยหิว้วช่วยจับช่วยอะไรเนี่ย 9, ฟังธรรม10บธรรมที่ตีให้ตรงเรียกว่าบุญยะกิริยาวัตถุสิบในทานกุศลก็เป็นบุญเป็นหมหากุศลเกิดได้8ดวงหมหากุศลทั้ง8เนี่ยเป็นทานก็ได้เป็นศีลก็ได้ เป็นภาวนาก็ได้เป็นให้ส่วนบุญก็ได้อนุโมทนาส่วนบุญก็แปดวงอ่อนน้อมก็อยู่ในแดดวงวั ย, ยาวจจะก็อยู่ในแดดวงฟังธรรมก็แดดวงแสดงธรรมก็แดดวงทำความเห็นให้ตรงก็แปดวงสรุปว่าบุญญากริยาวัตถุสิบนี้ถ้ากล่าวตามมหากุศลวปดก็ไม่ได้พ้นมหากุศลวแดอะไร ถ้าจะกล่าวแยกแยะให้ชัดก็มหากุศล8ปดโคนบุญยะกิริยาวัตถุสิก็เท่ากับบุญ8ปดสิบเนี่ยนะโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะมีศรัทธาจะทำหรือเปล่าเนาะเนี่ยบุญเยอะแยะนี่ยังมีอีกนะแล้วให้ทานเนี่ยมีอารมณ์ได้ทั้งหรักษาศีลก็มีอารมณ์ได้หภาวนาก็มีอารมณ์ได้6 อุทิศส่วนบุญก็อารมณ์6อนุโมทนาบุญก็อารมณ์6นอบน้อมก็อารมณ์6วิยาวัจจาก็อารมณ์6ฟังธรรมก็อารมณ์หแสดงธรรมก็อารมณ์หทิฏฐิชุ่วกมก็อารมณ์6เพราะฉะนั้น80ดคูณหอีกเนี่ยนะก็เรียกว่าอารมณ์โดยอารมณ์นะรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะกับธรรมอารมณ์ เพราะฉะนั้นมีรูปเป็นอารมณ์อย่างเดียวนะบุญเกิดได้แปดสิบฟังมีเสียงเป็นอารมณ์บุญเกิดได้แปดสิบมีกลิ่นเป็นอารมณ์บุญเกิดได้แปดสิบเพราะฉะนั้นก็สิบคูณแปดสิบเท่ากับเท่าไหร่อ่าขอไปแปดสิบคูณหกนะโอ้บุญได้ตั้งสี่ร้อยแปดสิบเลยนะ <c oughs> ไม่แห่งแรงบุญเลยนะ ค่อยมีจิตใจทําบุญหน่อยนะโอ้เยอะแยะขนาดนี้ทีนี้เวลาบุญมันเกิดเนี่ยนะก็480นี่หารสองก่อนนะหารสองก็เหลือเท่ากับ240คือจะว่าโดยอธิบดีอธิบดีนี่ปกติมีสประการคือหนึ่งฉันทะสองวิริยะสมตัวจิตสี่ปัญญา ที่เรียกว่าวิมังสาธิบดียาณวิปยุทธได้อธิบดีสญยาณสัมปยุทธได้อธิบดีเดียวเนียน่ยๆยาณสัมปยุทธขอพายยาณวิปยุทธเป็นฉันทะได้วิริยะได้จิตได้แต่วิมังสาไม่ได้ส่วนยาณสัมปยุทธเป็นฉันทะก็ได้วิริยะหรือมีจิตหรือมีปัญญาเป็นอธิบดีก็ได้ เพราะฉะนั้นเป็น240คูณ2ชนิดเนี่ยนะคูณคูณ3กับ4่คูณสี่อ่240คูณ3ามกับ240คูณ4เท่ากับช่วยเปิดตำรา ด, ดูหน่อยเถอะเท่าไรเอามานี่คณิตศาสตร์นี่ขี้เกียจที่สุดเลยเท่าไหร่นะ เจ็ดร้อยยี่สิบเก้าร้อยหกสิบรวมศูนยแปดนะพันหกร้อยแปดสิบเลยนะโอ้โหได้บุญตั้งเยอะแหละฮารสองจะได้รู้ข้างบนนี้วิปยุทธ วิปยุต4ี่นี่สัมปยุตนั่ทีนี้ยังแบ่งออกอีกว่าเวลาคนทําบุญเนี่ยบางทีก็ล่วงมาตามทาวานต่างๆเรียกบางทีก็เรียกกรรมก็ได้ทาวานก็ได้คือบุญเนี่ยบางคนเนี่ยถ้าล่วงมาเป็นวิญยัตนะถ้าจิตอันนั้นทําวิญยัติรูปก็เป็นกายวิญยัตเนี่ยนะเรียกกายกรรมถ้าเปล่งคําพูดออกมาอืออออะไรทั้งหลายแหละพวกนี้เป็นวจีกรรม เป็นกายเป็นกายกรรมอย่างเดียวเนี่ยันหเป็นวจีอีก1680้ดเหมือนกันเป็นมโนอีกนึกคิดในใจเฉยๆเนี่ยนะก็พัน0กดก็1680้ดเนี่ยคูณ3เท่ากับเท่าไหร่นี่ นี่นะห้ทีนี้ก็กุศลเนี่ยมันไม่ได้มีความสมบูรณ์เท่ากันหมดบางคนเนี่ยนะก่อนทำเนี่ยดีไอ้บางคนเนี่ยสักแต่ว่าทําไปคือหมายความว่าพอได้เวลาก็ทําไปอย่างนั้นอย่างนั้นนะก่อนก็ไม่สนใจหลังก็ไม่เกี่ยวข้องนะสักแต่ว่าทำนะคาว่าสักแต่ว่าทําก็คือให้เกิดเฉพาะหน้าแล้วที่เหลือก็พอเลยบางคนเนี่ยก่อนทำเนี่ยดีกําลังทําดีพอเลิกทําแล้วก็อย่างนั้นอย่างนั้น บางคนเนี่ยผ่องใสในการสามก่อนจะเจริญกุศลก็ดีกําลังทําก็ดีทําเสร็จแล้วก็ดีทั้นก็เลยแบ่งเป็นอย่างเลวอย่างกลางและอย่างประณีตชั้น ด, ชนดีชั้นกลางชั้นประณีตเนี่ยนะก็เรียกว่าอย่างสามเป็นต้นเนี่ยนะก็เลวเลวก็พันเอ่อห้าพันสี่สิบเนี่ยนะ อย่างกลางก็ห้าพันสี่สิบอย่างประนีตอย่างประนีตก็ห้าพันสี่สิบรวมเบ็ดเสร็จเท่ากับเท่าไหร่หนึ่งห้าหนึ่งสองศูนย์โอ้โหคุณนภาสามารถทำบุญได้ตั้งหลายหมื่นบุญนะในตั้งหมื่นหะ้าเนี่ยนะอันนี้ในหนึ่งคนนะ หนึ่งคนสามารถทําบุญได้ขนาดนี้เร็วมันก็บุญแบบเร็วๆไง <laughs> <c oughs> เหมือนคนเนี่ยนะก็คนสักแต่ว่าคนอะนะไอ้อย่างอื่นไม่มีเลยอะ่ะเพียงแต่เขาเรียกว่าคนช่เฉยเนี่ยสัมนโนค ร, ร, รัวกอ่อใหม่มีพ่อแม่ไม่มีน้ำสกุลไม่มีเขาให้เป็นคนก็ไม่ไล่หนีจากประเทศเท่า น, นั้นเองเนี่ยนะแค่นี้ถามว่ามีไหมคนแบบนี้ประเทศไทยก็พอมีอยู่บ้างะนะแต่อินเดียนี่จะเยอะกว่าเพื่อน แล้วก็เป็นคนอยังงั้นแหละเขาบอบุญก็เหมือนกันมันสักแต่ว่าเป็นบุญเนี่ยนะเคยไม่ยกตัวอย่างเช่นเขาให้ซองผ้าป่ามาก็สักแต่ว่าใส่จะได้พ้นๆไป ก, ก, ก็ทําอะก่อนก็ไม่ได้คิดจะทําด้วยกําลังทําก็สักแต่ว่าทําด้วยทําเสร็จแล้วก็ไม่สนใจอีกว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะพวกนี้แหละพวกนี้นก็เรียกว่าบุญสักแต่ว่าทำนะเรียกว่าอย่างเร็วเพราะฉะนั้นเหตุเร็วๆนะผลมันก็ให้แบบเร็วๆอีกเหมือนกัน อ, อ๋อคือตัวเนี้ยถ้ายานวิประยุทธ์มันไม่มีปัญญาใช่ไหมออถ้ายานวิประยุทธ์มันตัดปัญญาออกไปก็เหลือสามอธิบดีมี1 2 3 4ถ้าถ้ายานวิประยุทธ์มันไม่มีปัญญาก็ได้อธิบดี3เพราะฉะนั้น4ี่ร้อยปดคูณสอง้ที่เป็นยานวิประยุทธ์ ไม่ใช่ตัว480เนี่ยยานะสมปยุทธครึ่งหนึ่งวิปปยุทธครึ่งหนึ่งตัว480นะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัว240เกอว่าให้ตรงนะเท่ากับต้องหารส อ, องก่อนแล้วเท่ากับอย่างงี้ถ้าเขียนให้เต็มเป็นแบบนี้นก็คุณจะเอาปัญญามาประกอบกับไม่มีปัญญาได้ยังไง อ, อ่าใช่ อ๋อใช่คือบางอย่างนะถ้าตอบเลยเขาเขาไม่เข้าใจแต่ถ้าถามนะเขาจะเขาจะเข้าใจถ้าไปบอกว่าเพราะมัญญานวิปปยุทธ์ยานะสัมปยุทธ์อย่างนี้นะเขาฟังเขาไม่เข้าใจแต่เขาบอกว่าคุณจะเอาปัญญามาประกอบกับไม่มีปัญญาได้เลยเอออย่างนี้เข้าใจทันทีเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยมันก็แปลกนะคำตอบนี่นะไอ้ก็อยากให้รู้สิ่งเดียวกันอะแต่ว่าเปลี่ยนพยัญชนะแล้วมันเข้าใจเนี่ยนะ แล้วบางคนยังมีอีกด้วยนะบอกวินยูชนจะรู้เนื้อความได้ก็อาศัยอุปมาแลนะต้องไปอุปมาเพิ่มอีกแต่ตรงนี้ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอสรุปแล้วมหากุศลนี่มีเท่าไหร่กันแน่อันนี้ในหนึ่งคนนะในหนึ่งคนนี้ไม่คูณการสามว่าอดีตก็ถ้าจะทําบุญก็อย่างนี้อนาคตจะจะทำบุญอีกก็ไม่เกินนี้ปัจจุบันนี้ก็เท่านี้ถ้าคูณสาม ทีนี้อันนี้ในหนึ่งคนนะแล้วทุกคนอนะ่ะที่จริงแล้วถ้าทางธรรมมากเขบอกว่าให้คูณในสัตว์ในจั ก, กรวาลอันหาประมาณนี้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเฉพาะมหากุสุรจิตนี้จึงวิจิตไงศัตว์ว่าจิตนี่แปลว่ามาจากคําว่าวิจิตเพราะนั้นความคิดนี่วิจิตมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเอาอะไรกับความคิดมากว่าทุกคนต้องมาคิดแบบเราคิดเหมือนเราคิดอย่างเราไม่ต้องนะนะก็ยอมรับว่ามันวิจิตจริงจริง ความคิดนะสมมติว่าสีหน้าท่าทางยังพอแต่งเรียนแบบกันได้นะจิตเนี่ยแต่งยากมาก <c oughs> ทีนีอ้อันนี้เป็นธรรมะฝ่ายเหตุนะธรรมะฝ่ายเหตุเมื่อธรรมะฝ่ายเหตุนี้กุศลทั้งหลายเวลาเกิดขึ้นนะเราเราเอาโดยวิธีมาวัดนะว่าก็ชาวนะเจ็ดดวงกันใช่ไหมปกติชาวนะเจ็ดดวง ข อ, อไม่คืนนี่ในหนึ่งดวงแล้วในหนึ่งดวงเอาไปไปแจกนะสมมุติว่ามหากุศลดวงที่หนึ่งเอ๊ะมาตามบุญกิริยาวัตถุก็มากแล้วแล้วเอาโดยบุญกิริยาวัตถุมาจับแล้วเอาอารมณ์นะยกหนึ่งดวงขึ้นมาแล้วมาไล่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันจะกว้างมากออขี่ความสา ม, มารถให้ผลแตกต่างกันซึ่งจะกล่าวต่อไป ก็เฉพาะนี่เข้ามานั่งในห้องเรียนคุณวิลาวันก็คิดไปไม่รู้กี่เรื่องแล้วนะอะพรุ่ ง, งาา น, น, นี้ด้วยวันนี้ต่างหากคิดตั้งหลายเรื่องถ้าบุญมันจะให้ผลนี่จะให้ยังไงนะมันก็ให้ผลวิจิตแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นอย่างยกตัวสมมุติง่ายๆว่าเสื้อผ้ายังต้องมีผ้าลายใช้เลยนะมันจะให้วิจิตตามกรรมอะ่ะจะต้องมีผ้าลายจะต้องมีอะไรที่มัน เยอะๆไปหมดยังปฏิสัมพิธามมักเนี่ยนะหลายๆท่านคงอ่านมาแล้วจะชี้ให้เห็นถึงการเรียบเรียงคัมภีร์ว่าการเรียบเรียงเรื่องเนี่ยนะสัมพันธ์กันที่เราเคยฟังบ่อยๆคำว่าลำดับอย่างเมื่อเช้าเราพูดถึงว่าทำไมจะต้องขึ้นสัมมาทิฏฐิก่อนเป็นอันดับแรกใช่ไ แล้วต่อด้วยสัมมาสังกัปปะแล้วทำไมสัมมาวาจาจึงต่อจากสัมมาสังกัปปะทำไมสัมมากัมมันตะจึงต่อจากวาจานะที่จริงมีเหตุผลอันนี้เรียกว่าลำดับ